สิบเจ็ดทุ่ยบลัรอบบ้านที่รูม่บ้านของเราอยู่ที่นี่ rumah Rum ah kami berada di sini หลังคาอยู่ข้างบน Di atas adalah atap ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง Di bawah adalah ruang bawah tanah มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน Di belakang rumah ada sebuah taman ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน ด, ดนีด้ rumah tidak ada jalan มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน di sebelah rumah ada เปปพอหอ น, นันอพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ inilah rumah saya ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่อิน l ล h ะดั u r d a ร์ a m a r m a n น i ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ดีที่ a ั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นทีนปิดทีนั rumah นั่นที up แต่หน้าต่างเปิดแต่หน้าต่างเปิดแต่หน้าเดนาเปิ่หนต่น้านีานน้อากนาศ่า้อเนาต่าหนาต่งเป่หน้าางน้่างเป่หน้างเปน้าต่างเป่นางปแ่ห้างเปตน้าต่างเแ่น้เน้าแ่แต่้งเป่น้าต่น้ต่ง่น้่ง่น่น่น ดีส a นาะ ada sofa dan kursi tamu เชิญ น, นั่งค่ะศิล ahkan ดูดุก๊กคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นดีสนะ a นา ada คอมพิวเตอร์สายะสเตโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นดีส a นาะ perangkat stereo saya ชุดทีวีเป็นของใหม่ที a ีของผมยังใหม่